บทที่หนึ่งคำสอนของหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลอาตุโลอดีตพระราชวุฒาจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์และอดีตเจ้าอาวาสวัดบุรพารามซึ่งต่อไปผู้เขียนจะเรียกนามท่านโดยย่อว่าหลวงปู่เพราะคุณเคยที่จะเรียกท่านอย่างนั้น หลวงปู่เป็นพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยอนุสาสนีปาติหารท่านมีปกติสอนสิทธ์ด้วยถ้อยคําที่ลัดสั้นแต่ครอบคลุมใจความของการปฏิบัติอันลุ่มลึกไว้มากมายยากที่ผู้ฟังจะเข้าใจตามได้ด้วยการคิดต่อเมื่อลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ทำแล้วจึงจะเข้าใจทราบซึ้งถึงคําสอนของท่านได้ ผู้เขียนมีโอกาสได้รับคำสอนโดยตรงจากท่านหลายประการและพบว่าเนื้อหาในคำสอนของท่านจำแนกได้3ประเภทคือ 1.1 ่นแก่นธรรมหรือหลักธรรมชั้นสูงในขั้นปรมัตธรรมได้แก่เรื่องอริยสัจแห่งจิตซึ่งครอบคลุมคำสอนทั้งหมดของท่านทั้งฝ่ายวัตตะคือการเกิดพบหรือการทากรรมของจิต เกิดชาติหรือความเป็นตัวตนหรือการหยิบฉวยได้มาซึ่งรูปนามเกิดถูกหรือรูปนามชาติชารามรณะเป็นต้นและฝ่ายวิวัตตะคือทางออกจากภพจากชาติจากถูก 1.2. หลักการปฏิบัติทั่วไปเป็นคำสอนโดยทั่วไปแก่ผู้ปฏิบัติ ท่านใดจะนำไปใช้ก็ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นเช่น 1. ให้ดูจิต 2. อ, อย่าส่งจิตออกนอกและ 3. คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดจึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิด 1. 3อุบายธรรมที่ท่านสอนสิทธิ์เป็นการเฉพาะบุคคล ตามจริตนิสัยวาสนาบารมีที่แตกต่างกันหรือเพื่อแก้ข้อขัดข้องทางการปฏิบัติเป็นกรณีกรณีไปเช่น 1. ตั้งสติดูจิตแบบจ้องไม่กระพริบตาคำสอนนี้สำหรับคนที่จิตฟุ้งซ่านมากๆ 2. ให้ดูผมเส้นเดียว คำสอนนี้สอนหลวงพวกคืนประสันโนซึ่งต้องดูผมเส้นเดียวแบบกระสินดินจิตจึงจะรวมสงบได้ 3. <า>ให้บริกรรมพุโทโธแล้วรู้ผู้ว่าพุโทโธจนหมดคำพูดแล้วดูจิตต่อไปคำสอนนี้สอนเด็กคนหนึ่งให้มีคำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วคอยสังเกตจิต 4. ให้สลายกายเข้าสู่จิตคำสอนนี้สอนต่อยอดให้พระอาจารย์สุจินสุจินโนซึ่งเคยฝึกคิดพิจารณาแยกกายเป็นส่วนๆมาก่อน 5. ตกบันไดพลอยโจรคำสอนนี้หมายถึงการกำหนดจิตในเวลาที่กำลังจะตายโดยประคองจิตให้หยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลย คำสอนนี้สอนท่านพระอาจารย์สุจิน์สุจินโนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเวลาใกล้ตายตรงจุดนี้ถ้าพลาดจะไปเกิดในพรหมโลกแต่ถ้าจิตวางขันได้ก็จะเกิดสภาวะว่างตามข้อถัดไป 6. ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิต ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างคําสอนนี้ท่านเล่าถึงเครื่องอยู่ของหลวงปู่และชี้ว่าจิตที่ทรงอยู่ในสภาวะอย่างนี้ในขณะที่ธาตุขันแตกดับก็จะนิพพาน 7. พบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงคําสอนนี้ สอนสำหรับผู้เดินในแนวทางสมถยานิกที่มีจิตผู้รู้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์ซึ่งคำสอนข้อหลังนี้ท่านสอนให้กับหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยกับผู้เขียนคือสอนผู้เขียนก่อนท่านมรณภาพ36วันและสอนให้หลวงพ่อพุทธก่อนสอนผู้เขียนอีก7วันเป็นต้นการที่คำสอนของท่านมีหลายระดับ ได้มีความหลากหลายไปตามบุคคลนี้เองทำให้สิทธิแต่ละคนเข้าใจคำสอนของท่านแตกต่างกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นอุบายการปฏิบัติเฉพาะตัวซึ่งบางกรณีอุบายของคนหนึ่งก็ไปขัดแย้งกับอุบายของอีกคนหนึ่งคือคนนี้ใช้วิธีนี้ได้แต่อีกคนหนึ่งนําวิธีนี้ไปใช้ไม่ได้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย พระครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานด้วยความรอบรู้นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาย่อมสอนธรรมหลายระดับและจำแนกแจกธรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนไม่ใช่สอนทุกคนแบบเหมารวมเหมือนๆกันดังนั้นพอถึงชั้นลูกศิษย์หลานศิษย์คาสอนจึงเริ่มแตกกระจัดกระจายจนถึงขั้นแตกนิ่กายหรือแตกกลุ่มก็มีและแต่ละฝ่าย สามารถอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของอาจารย์มาเป็นเครื่องสนับสนุนความเชื่อของตนได้ด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นหากได้ยินว่าหลวงปู่หรือครูบาอาจารย์ท่านใดสอนอย่างใดควรพิจารณาให้ท่องแท้เสียก่อนว่าทำนั้นเป็นแก่นคือเป็นหลักธรรมล้วนในขั้นปรมัติ์หรือเป็นหลักการปฏิบัติทั่วไปหรือเป็นอุบายธรรม อันเป็นแนวทางดำเนินเฉพาะตัวของบุคคลนั้นหรือเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องทางการปฏิบัติเฉพาะกรณีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าจำแนกได้ก็จะไม่เกิดความขัดแย้งในบรรดาลูกศิษย์หลานศิษย์เหลนศิษย์ร่วมอาจารย์ขึ้นในภายหลังคำสอนทั้งหลายของปู่ล้วนแต่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์แต่ที่จัดได้ว่าเป็นแก่นทำคาสอน อันเป็นหลักธรรมชั้นสูงในขั้นปรมาต ธ, ธรรมและครอบคลุมคำสอนทั้งหมดของท่านอย่างแท้จริงได้แก่เรื่องอริยสัจแห่งจิตซึ่งมีถ้อยคำดังนี้จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค